คนคนที่มีธรรมเนี่ยแกะขาารเนี่ยกเป็นธรรมนะแกะขาารได้ใชก้ก็พิจารณากะรู้ธรรมเลยนะถ้าเรารู้จักธรรมนะธรร ม, มะนยทาไมต้องแกะขาหารแค่นี้ก็นั่งหลับตาเลยเลยโอ้มาแกเห็นเลยพาลาฮาเวเปัญจคันทานเห็นไหขันนี่เป็นพาละอีกือมาใครไม่มีพาราในธาตุในขันไมีหรอก ถึงจะมาเป็นเรื่องของกายนั่นแหละเลยํามถูกนอนทางไปอยู่นี่เป็นวาระของกายไปนั่นแหละเฮ้ยหาอยู่หากินนะเงินหาช็องเงาอะไรกันเพื่อร่างกายไะนั่นคนที่จะเข้าไปหาธรรมนี่น้อยร้อยหนึ่งจะมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ะเฉยมากกันหาหาข้างออกหาความบรรลุกายนี่เรื่องกายเป็นของเจ้าของไม่ว่าจะมีความสุขที่กายมัไม่ได้ทุกข์หน้ากาย่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่มีความสุขนะ ที่เราว่ามีความสุขมันเป็นเรื่องของปัจจัยมาเยียวยามันไม่เสียมันเทาไว้อะหารวันนี้มันเทาอาหาวนนี้มันเทาปวดหนักปวดเบาเขีวร้อนร้นเลมันทองดเลยนี่ว่ามีความสุขเลยมันต้องทําจให้เป็นสัมมาจิตจะจีตองจะเข้าใจในธรรมถ้าเป็นมิจฉาเราจะเข็นผิดไปหมดเลยเห็นว่าว่ากายดีอย่างนั้นอันนี้ดตรงไหนนั่งเลย ตรวจดูไม่แต่ภายนอกภายในมัน ม, มีอะไรที่ที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้แน่นอนมีแต่ของเสื่อมไปสิ้นไปที่เราลงทุนไปนี่มันมันเท่าไว้เพื่อเพื่อรักษ า, าธาตุคันเพื่อจะเอ า, าธาตุคันนี่ไปสร้างบารมีความหมายของการเกิดขึ้นมาไม่กี่จะมีประโยชน์แต่หากว่าลุงเฉยๆอะไมไม่สนใจเรื่องธาตุเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องสติสมาธิปัญญาแล้วก็เป็นมากับขาดส่นส่วนสองคมโรควมกรธความลา ม, ม, ม, ม, มลที่มีอยู่กับ มันก็ไม่หายไปที่แอ่ความโลก ค, คโลกงกองหลงไหมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีทางเพราะไม่มีโอกาสที่จะมาไม่มีโอกาสที่จะมาชนะศาสางก็ออกให้หมดมีแต่ปมุงปรเข้าไปอะไรจรึงโลกเนี่ยมันจึงมืดโลกโงมืดมืดคนไม่รู้จักทางออกจากทุกอมีแต่พวกเราเนี่ยมีช่องทางที่ออกได้เพราะมัน มีการนําเพลมเราจะมีให้ทานทานกินฟังธรรมปฏิบัติธรรมอะไี้ยันนี้มีสองทางที่เดียวเห็นทางก็ออกดอกอยากกกก่าโลโกมืดอดาาลดาาโลก โ, อาาาาโกาา้แปลว่าไม่มืดออย่างพระเจ้าจัสตลูดนะธรรมะจะอโลโกดาปารีแหยานังไว้ดาปารีวิชาวดาปารีอโลโกดาปารีอโลโก้แปลว่าไม่มืดวิชาไปความรู้แจ้งว่าถ้าวัดขานเนี่ยมันเป็นภาระ ตันแต่คลอดออกมาผู้ให้คลอดก็เป็นพระละคลอดมาแล้วก็เป็นพระละดูเลยทุกวันเลยเคยจะเรียนจบพระลเท่าไหร่ต้องทุนไปเท่าไหร่ลูกคนหนึ่งเนาะแต่ว่าดียังไงเอเกิดขึ้นม า, าดีอกดีใจคนกินงสา ร, ระคลอดหนึ่งแล้วแต่ขึ้นมาคนหนึ่งเขาคลอดหนึ่งยี่สิบปียี่สิบห้าปีท้อง ท, ทุ่มเทเสียเงินเทีท่ยงองอวัใจแต่เท่าไหร่อันเนี้ยมันถ้าเห็นแปะพระพุทธเจ้านะโอ้ มันเป็นพละหมดนั่งอยู่ก็เป็นภาระนอนก็เป็นภาระถ้าลูกแก่เราก็ไม่เป็นภาระเป็นธรรมชาตินี่แหละอยากจะให้เขาจุดให้เขาให้เขาเอาจุดมองอะไรเห็นอะไรให้เป็นธรรมะอดมันก็ไม่เป็นกิเลสผมไม้ไปอย่างเนี้นะเผย่อจะเสียที่เผื่จะได้ฉันได้เวลาเท่าไหร่ <laughs> เผื่อจได้เผยจะได้เยียวยาบรรเทาความเสื่อมไปเอ า, เอา เรียว่ามันเทาเวสนากําจัดเวสนาเก่านี่สันวิจารปิชฌานมันเทาเวสนาใหม่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นนะเอาใจเวสนาเก่าเวสนาคือความหิวเนี่ยมันทุกข์นะอยู่หน้าก็ทุกข์หิวข้าวก็ทุกข์ถ้าเราเอาไม่ไม่เอามาบรรเทามันจะตายเลยที่เราที่เราไม่ตายนี่เพราะบรรเทาให้ใจเข้ากับบรรเทาให้ใจออกบรรเทาหิวหน้ามากับบรรเทาเข้าไปหิวข้าวมากับบรรเทารัวมากับบรรเทาถ้าไม่บรรเทา ทุกเราจะตายรูนเดียวออ น, ะ, นะมันเทาไปทั้งหมดแล้วแม่เยซูสได้ไงไมีเรื่องมันเทาเอาถ้าหากว่าพิจนารณานี่ก็เป็นธรรมเป็นสมาธิจะเห็นตามอริยรสรรัจสี่ซาติปุทุกคาจะลาปิสุขามันนำปิทุขขัาาขงเลยมันเป็นทุกข์จริงๆถ้าจะเห็นตรง น, นี้ออกทุกข์ไม่ได้แหละจะอ่านตำราพระไตร ป, ปดฎกเนี่เขาไม่มีทางที่จะเห็นหรอกคนันตกสอกของนอกของนั้นน่ะหนังสือเนี่ยออกมาจากนี่นะ แต่กกาจากประจาจากใจแต่เรื่อตัวหนังสือนั้นไหมมันไม่ใช่ธรรมนะสิมันเป็นเงาของธรรมอันนี้ก็อ่านแล้วก็ตะคุบเงาแล้วจริงเอาตัวนเออคนที่ไม่ตะคุบเงาคือเขาดูสิ่งที่มันเป็นจริงนี่ของจริงอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจที่อนิจจังทุกขังอยู่ศึกกายวาจาใจไม่ได้อยู่ที่หนังสือหนังสือเลือกเรื่องมาแล้วจะเขียนถึงพระคนนิพานกับมันก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นพระคนิพานอยู่ที่ใจที่พ้นทุกข์ ใจที่ไม่มีกิเลสนั่นแหลมักผลอยู่ทั้งนัน